จเจรินพรทุกทุกทนะ่านเมื่อวานก็มีคนมาเล่นอะไรแถวนี้เนาะไม่มีบุญนะพวกเราอย่างไม่เป็นอะไรสงสารแต่ปลาสัตโกคบิดเปลี่ยนกันนะความมืดความบอดความโง่งเขลาไม่มีความสุขหรอกทำรายกันไปทำร้ายกันมามันไม่เหมือนใจ ที่มีความเมตตาการุณาในที่มีความเมตตาการุณามันมีความอิ่มมีความเต็มมีความสดชื่นอยู่ภายในของเราใครเข้าใกล้เขาก็มีความสุขด้วยสัสตว์ต่างต่างนะมันก็มีความสุขอย่างเราพอวนาไปใจเราไม่คิดเบียดเปลี่ยนใจพวกสัตว์มันยังรู้เลยอย่างที่วัดนั้นแมวนะแมวเป็นแมวป่า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 วามรู้สึกนี้ก็ขยายออกไปสู่คนนอื่นด้วยพวกเราถือว่าพวกเรามีบุญวาสนามากเราเกิดมาในยุคที่พระพุทธศาสนายัางเหลืออยู่หรือจะเหลือก็บร่องก็แปล้งแต่ของแท้ๆยังมีของปลอมมากมายของแท้ๆเหลือนิดหน่อยอยู่ที่เรามีสติปัญญาจะเลือกสรรออกมาได้หรือเปล่าทุกวันนี้ธรรมะปลอมป น, นเต็มไปหมดเลยไม่ได้เป็นไป เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขที่แท้จริงเป็นไปเพื่อส่งเสริมกิเลสจะเป็นส่วนใหญ่อย่างสอนกันนะให้ทําบุญเยอะๆอะไรจะได้ขึ้นสวรรค์อะไรอันนี้ทําไปเพื่อกิเลสนี่จะทําไปเพื่อลดละกิเลสหรือคิดว่าภาวนาเนะี่ยทาใจให้นิ่งๆให้ว่างๆมีความสุขท่า น, น, นก็ทําไปเพื่อกิเลสกิเลสละเอียดขึ้นมาไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองเป็นความสุขของใจ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 เป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นชาวพุทธเราสังเกตจิตสังเกตใจของเราจริงหรือไม่จริงนจิตเราไปยึดอะไรยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสยึดในสัมผัสเนมันสุขหรือมันทุกข์กันแน่ไม่ว่าเราจะได้อะไรมานะเราสแสวงหามาอยากได้เราก็ทุกข์แล้วได้มานึ่ว่ามีความสุขได้มากก็ทุกข์อีกกลัวจะเสียไปอย่างได้เงินได้ทองมานะมีเงินมีทองมากๆ ผมก็กลัวคนอื่นมาแย่งไปอีกเอาเงินไปฝากธนาคารกลัวธนาคารล้มอีกนะไปซื้อทองมาฝังดินไว้กลัวคนมาขโมยอีกไม่ว่าจะมีอะไรนะเราก็ทุกเพราะสิ่งนั้นเสมอเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็อยากมียยอะๆยิ่งมากยิ่งดีที่จริงยิ่งมากยิ่งทุกข์นะมีพอดีฟอดีแล้วมีความสุขเมื่อก่อนเราก็เคยเจอคราวหนึ่งมีคนเอาทุก ขึ้ไปปีนภูเขาขึ้นไปทำหาปลอกภูเขาไม่ใช่เตี้ยๆนะก็ขึ้นไปคนทู่ขึ้นไปไปขอให้หลวงปู่สิงหท่านเสกลอกหลวงปู่ฮะเอาเสกแบบขนหนูจุดแล้วนะคนมาร้านหูเต็มเลยให้หูรวยรวยรวยรวยรวยนะหลวงปู่ก็หัวร้อนนะรวยมากเดี๋ยวผู้ร้ายมันมานะนะมันไม่มีอะไรหรอกในโลกที่มันมาละมาด้านเดียวะ ได้อะไรมานะก็มีปัญหาตา ม, มาเรื่อยๆสุขของโลงเป็นอย่างนั้นสุขมันไม่สมบูรณ์คนนี้ก็ฉลาดตัดเปลืองมากกว่าเก่าอีกถ้างั้นหลวงปู่อธิฐานเพิ่มนะขอให้กันโจรผู้ร้ายได้ด้วยเนี่ย <c oughs> <c oughs> หลายอย่างนะจริงจุดทูปมันไม่ได้ช่วยให้คนเข้าร้านหรอกนะหน้าตาตัวเองเป็นจังหวะนั้นนะไม่มีใครมาตอนนางกวักไปตั้งก็ไมประโยชน์เลยถ้าใจมันดีสักอย่างนะ ไอ้มันต้องเย็นเป็นสุขใจมันไม่ได้คิดคดโกงใครเครดิตมันดีคนก็ อ, อยากติดต่อด้วยอยากทําธุรกรรมด้วยคนเท่าไหร่ไม่รู้นะว่าเราไปได้สิ่งต่างๆมาเราก็ได้ภาระมาด้วยได้ความทุกข์มาด้วยมีแฟนก็มีภาระนะเห็นไหมเราเคยอิสระมีแฟนแนละ้วไม่อิสระแนละ้วถ้าใครเอาใจเขามีบ้านก็ต้องห่วงบ้านมีรถก็ห่วงรถ ไม่มีรถก็อยากมีไปซื้อรถมาซื้อมาแล้วก็กลัวหายกลัวฉีดขวรกลัวยาโนดกลัวอย่างนีนงนน้ไม่ว่าได้อะไรมาก็ถูกขลร้อนนั้นนะแต่สิ่งที่ใกล้ตัวเรามากกว่านั้นคเราได้กายได้ใจมาเรามีกายมีใจนะเราไม่รู้หรอกว่ามันมีภาระตามมาด้วยเพราทีเจ้าทึงสอนนะขันห้าเป็นภาระ ขั้ห้ามันก็ย่อลงมาก็คือรูปกับ น, น้ำกายกับใจเราเองมีกายก็ทุบตอกกายนะมีภาระกับกายมีใจก็มีภาระกับจิตใจมีร่างกายภาระเยอะไหมตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ทำอะไรมาบ้างเกี่ยวกับร่างกายทํำอะไรบ้างตื่นนอนมาปุ๊บบิดขี้เกียจก่อนะมีภาระนะต้องบิดขี้เกียจก่อนนอนเสมอยเลยนอนขึ้นมาก็ต้องไปล้างหน้าล้างตางไปอาบน้ําช่ไมสมปลวกอะ่ะ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 ฝึกเจริญสติเจริญปัญญาอย่างที่หลวงพ่อสอนไปเรื่อยๆนะเวลาฉุกเฉินเวลาจําเป็นขึ้นมาเนี่ยอย่างบางคนลดวนะ่้าะจิตมันดีดผางออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บักบานเลยมันเห็นร่างกายกําลังกลิ้งไปนะหรือบางคนหกล้มนะสติปัญญามดีดผางออกมาเห็นร่างกายขยับเป็นช็อตๆเลยนะหัวจะกระแทกพื้นก็หลบสัหน่อยหนึ่ง แท่ที่จะเจ็บมากก็เจ็บน้อยสติสติปัญญ า, ยาทำงานขึ้นมาม่คุ้มครองรักษาตัวเองได้มากขึ้นมากขึ้นแต่รักษายังไงสุดท้ายก็ตายไปไม่รอดหรอกเพราะว่ามันของมีขอบเขตมีอายุของมันมันอยู่ได้แค่นี้แหละคาดขารณ์ของมนุษย์อยู่ได้ไม่เกินร้อยห้าสิบปีคาดขาน์มนุษย์ส่วนมากไม่ถึงหรอกเนาะอันนี้พูดตามตำรานะก็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 อายุเฉลี่ยของคนรุ่นเราก็ประมาณ75ปีงั้นถ้าเจริญีที่84แล้วก็จะอยู่ได้75ปีหรือมากกว่าแต่ก็ไม่เกิน2กลับก็ไม่เกิน150ปีประมาณนั้นแต่พวกเราไม่ได้เจริญหรอกนะเราเจริญกิเลสเจริญได้ร่างกายถูกเผาผลาญเยอะในใจนะถ้าครูบาอาจารย์ท่านยิ่งแก่ดูสดใสนะพวกเราแก่แล้วสุดโทรมพวกเราไม่ได้เจริญ น่าจิต ท, ที่ฝึกดีนะนำความสุขมาให้จริงนี่เราค่อยเรียนรู้ลงไปนะในร่างกายเนี้ยร่างกายนี่มันเป็นตัวทุกข์ร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้นธาตุเป็นของยืมโลกมาใช้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปบ่อยๆจนมันเห็นความจริงสิ่งที่ปิดบงังความจริงไว้มีอะไรบ้างสิ่งที่ปิดบงังอนิจจ์นะเขาเรียกว่าสันตติคือความสึกเนื่องอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังตอนที่เป็นเรื่องของการดูจิต สิ่งที่ปิดบังทุกข์นะคือการเปลี่ยนยิทธิบทคือเปลี่ยนอารมณ์อย่างเรานั่งเมื่อยเราเปลี่ยนนะ mm. ก็หายทุกข์มันเปลี่ยนไปหิวข้าวเปลี่ยนอิทธบทไปกินข้าวก็หายทุกข์ปวดเอือปวดฉี่เปลี่ยนยยทอทธิบาตือไปฉี่ซะมันก็หายทุกข์นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์อิบคันอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่าความันทุกข์ปุ๊บนเราก็รีบแก้ไปแก้จนอัตโนมัติแก้จนกระทั่งไม่เคยเห็นเลยว่ามันทุกข์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 เลื่เปลืนว่าร่างกายเป็นของดีของพิเศษจนกระทั่งความทุกข์รุนแรงนั่นแหละคือยัปิดบังไม่อยู่งั้นสิ่งที่ปิดบังความทุกข์ไว้ก็คือการที่เราคอยขยับคอยเปลี่ยนที่ที่ปวไปเรื่อยๆสำหรับร่างกายสำหรับจิตที่เรื่องเปลี่ยนอารมณ์ดูหนังนี้เบื่อก็ดูอย่างอื่นไปฟังเพลงฟังเพลงนี้เบือ่อไปกินข้าวเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆใจก็เลยรู้สึกว่าใจไม่ทุกข์เลยมีแต่ความสุขทั้งวันบางคนบอกนะไม่เคยโกรธไม่เคยอาขาศใครเลยนะ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 รู้สึกก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนอารมณ์ค่อยเปลี่ยนอิทธิยาบทแล้วมันจะรู้เลยร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของพิเศษจิตก็ไม่ใช่ของดีของพิเศษอะไรสิ่งที่ปิดบังหน้าตาคือการที่มันรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเราไม่เห็นหรือว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีคณ ะ, อะคอร์ขังนอนหลูคณะการที่ขันมันมารวมกั น, นมาเลยปิดบังความจริงว่าไม่มีตัวเรา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 ที่จริงจิตที่ดูเขาดวงหนึ่งจิตที่ฟังเขาดวงหนึ่งจิตที่คิดเขาดวงหนึ่งคนละดวงกันสติปัญญาไม่พอนะสันสติไม่ขาดเลยไม่เห็นถ้าสันสติขาดจะเห็นเนี่เรามาฝึกนะมาฝึกเพื่อให้เห็นความจริงในใกายในใจมาเพิกถอนสิ่งที่ปิดกัน้นความจริงเอาไว้ะสิ่งที่ปิดกั้นทําให้เราไม่เห็นอนิจจังก็คือการที่มันเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วก็มาสังเกตดูแล้วใช้วิธีสังเกตเอาอย่างจิตใจเราเนี่ย จิตใจเราเดี๋ยวก็สศกจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวว่าดีเดี๋ยวก็ชั่วหมุนติ้วติ้วติ้ติทั้งวันเลยนี่เราคอยรู้สึกลงไปเรื่อยเดี๋ยเราก็จะเห็นนะไอ้จิตใจที่โกรธเกิดขึ้นอยู่ช่วคราวเราก็หายไปเกิดเป็นจิตใจที่ไม่โกรธจิตใจไม่โกรธอยู่ช่วคราวก็หายไปเกิดจิตโกรธใหม่ก็ได้เกิดจิตยอย่างอื่นอีกก็ได้เนี่นเราหัดดูของจริงไปเรื่อยนะสุด ท, ท้ายเราก็จะรู้เลยจิตโกรธก็ดวงหนึ่งจิตรอบก็ดวงหนึ่งจิตลงก็ดวงหนึ่ง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 ไม่มีซีดีฟังก็ไปดูอยู่ทง u t u b e นะที่หลวงพ่อเทศไว้นะไม่ใช่ดู youtube อันอื่นนะเขาไปดูยู u ูบมาสามวันแล้วยังภาวนามไม่เป็นอีกดูอะไรดูนิยา ย, ยดูละครดูเพลงอะไรอย่างนี้นะไปฟังที่หลวงพ่อเทศเทศไว้เหอะคนที่เขาไม่เคยเจอหลวงพ่อด้วยซ้าไปนะหลังๆเนี่ยเจอเยอะเลยนะเข้าพอนาเป็นเขาฟังซีดีเอาก็าดู youtube เอานี้ไลย พนาเป็นเยอะแยะเลยแยกธาตุแยกขันได้เห็นธาตุเห็นขันแสดงใจรักได้อสิ่งที่ปิดบังมันถูกเพิกออกไปเนี่ยพอสะติมันเร็วนะมันเห็นเกิดดับมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใชของคงที่และทุกอย่างเกิดดับจิตที่ดูก็ดวงหนึ่งจิตที่ฟังก็ดวงหนึ่งนจิตที่ดีก็ อ, อันหนึ่งจิตที่ โ, โลภโกรธหลงแต่ละอันแต่ละอันก็แยกกันออกไปค่อยๆหารู้ว่าดูไปเนี่ยไม่ยากนะไม่ใช่เรื่องยากหรอก นี่ก่อนที่จะมาถึงการเจริญปัญญาที่เราแยกได้เนี่ยขั้นต้นนะคือสีห้าต้องถือสีห้านะไม่ต้องถือสีแปดสีห้าก็ถือให้ได้ถ้าอยู่ๆไปถือสีแปดมันจะเป็นสีแปดเพื่อนนะมันไม่ใช่สีแปดจริงหรอกถือสีห้าแค่นั้นพอสีห้านั่นแหละเราได้โสดาสับปะรคาสบายๆเลยไม่ยากอยู่ๆเป็นครวญไม่ยินเสียวนอนจะถือสีเยอะๆะ ถือไม่ไหวเครียดถ้าถือเราเครียดไม่บรรลุว่าถุประสงค์แล้วใจไม่สงบใจไม่สงบสมาธิไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญา我们就ไม่มีนะงั้นถือพอดีพอดีเอาห้าข้อพอแล้วห้านขะ้ออย่างเราต้องเลี้ยงลูกค้าบางทีลูกค้ากินเหล้าเราก็ไม่ต้องกินเหล้าเรากินกับนะเราก็บอกเราแพ้เหล้านะกินแล้วมันแพ้อะไรแพ้กิเลสเราไม่ต้องบอกเขานะเดี๋ยวเขาโกรธเรา เนี่ยใครชวนหลวงพ่อกินเหล้าแล้วแต่ผิวชมแพ้คืนกินแล้วแพ้แพ้มัก็ไม่ว่าอะไรแล้วนะคนเป็นโรคปุ๋มแพ้ย <laughs> แเยอะเราก็ไม่ได้โกรธไม่กินใหม่ๆก็ยากนะอย่างหลวอรับราชการนะข้าราชการนะโอ้ชอบกินเลี้ยงเวลาไปไหนมาไหนนะกินเลี้ยงต้องกินเหล้าเราผู้น้อยเราจะอยอยไม่กินผู้ใหญ่มันกินเท่านะั้นเรียกให้เรากินะนะ คนชั่วนะชอบลากคนอื่นให้ชั่วตาม่นะถ้าพูดสำนวนใหม่ก็คนเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แนละ้วอยากให้เราได้รับความสุขอย่างเขาบ้างนะนี่เพื่อิเรามีความสุขอย่างอื่นซะแล้วนยะอดทนค่อยๆสุดท้ายพอเราโตขึ้นนะสีเราเยอะๆขึ้นนะใครมานั่งกับเราเนี่ยไม่กล้ากินเหล้าเลยเขารู้ว่าเราไม่กิน ต, ตัวนี้เป็นบารมีแล้วนะแต่บารมีอยู่ๆไม่เกิด น, นะเราสะสมกันนานะอย่างหลวงพ่อตอนนี้มีบารมี อยู่ข้อหนึ่งนะมองหน้าใครคนนั้นตัวแข็ง <c oughs> เป็นไหม <c oughs> สายตานี่ยังเกอบเมดูซ่า <c oughs> มองแล้วมีนะบางคนมันไม่เจียมตัวนะอัดรูปหลวงพ่อไว้เยอะเลยแล้วไปปิดไว้ทั่วบ้านเลยสุดท้ายโรคจิตจะกินหันเปอินี้สะดอิสกรูปมาให้หลวงพ่อไม่ไหวแล้ว <c oughs> ใช้ชีวิตที่สบายสบายแต่ไม่ใช่ชั่วนะสบายสบายอย่าอย่าเครียด จิตใจที่เครียดที่ภาวนาไม่ได้จิตใจที่ดีที่สุดคือจิตใจของคนธรรมดาะจิตใจที่ธรรมดาธรรมดานี่นี่คนเราเวลาจะคิดจะภาวนาจะปฏิบัติธรรมนะมันชอบวางฟอร์มชอบทํำขรึมชอบทําเครียดชอบทํำคร่้งคล่้งอย่างเสื้อสีชมพูเนี้ยทำเป็นขรึมขรึมคร่งคลิใจมันแน่นๆ่นสิใจมันไม่สบายอ่ะสงสัยว่าจะเตรียมส่งอันบาล เครื่้งแต่ยังไม่ได้จะส่งเลยนะใช่ใจธรรมดาอย่างนี้เมื่อกี้ปวดร้อใจสบายรู้สึกไหมใจสบายรู้ว่าสบายรู้สึกใจสบายสบายเวลาที่เราเชื่อฝึกจิตฝึกใจนะที่แักถือศีลห้าถัดนาเราก็ฝึกจิตฝึกใจให้มันมีสมาธิวิธีฝึกให้เกิดสมาธิไม่ยากอะไรหรอกสมาธิโดยธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้ว อย่างเราทํางานได้ทุกวันนี้มันก็มีสมาธิแหละเป็นคณิกาสมาธิหรือคิดอะไรที่ซับซ้อนได้ก็มีสมาธิพอสมควรมีเพียงแต่สมาธินั้นเอาไว้ใช้อย่างอื่นหมดไม่ได้สมาธิย้อนมาหาตัวเองแต่เป็นนี้เราค่อยๆสังเกตตัวเองทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วค่อยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปที่อื่นจิตมันไม่มีสมาธิมันก็ฟุ้งซ่านมันก็แค่นั้นเองมันกลับข้างกันนะสมาธิกับฟุ้งซ่านน่ะ ท้าไม่ฟุ้งมันก็สงบถ้าสงบมันก็ไม่ฟุง้งมันก็แค่นั้นเองจิตฟุ้งซ่านเพื่นก็จิตมีกิเลสฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสตัวหนึ่งนะชื่อโมหะเป็นตระกูลโมหะงั้นถ้าเมื่อไร่เรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านนะเมื่อนั้นกิเลสจะดับอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องไปดับมัน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 นั้นเราทํากรรมฐานเนี่ยถ้าจะฝึกให้จิตใจสงบนะทําใจสบายก่อนวิธีทําใจสบายยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานยิ้มให้ใจคลี่เลยนะยให้ใจมันคลายให้มีความสุขะถ้าใจมันผ่อนคลายแล้วก็ทำกรรมฐานไปด้วยใจที่ผ่อนคลายอย่าไปเริ่มต้น <laughs> ไม่ได้กินหรอกอย่าหวพ่อจะฝึกให้ทําใจให้สงบนีด ก็เงยบเดียวนี้เลยนะไม่เห mm ็น hmm. มีอะไรเลยใจมันมีความสุขอ่ะงั้นเคล็ดลับอยู่ที่มีความสุขนะทํำไปด้วยความรู้สึกผ่อนคลายนี้เราเครียดๆมาเรายิ้มหวานๆสักทีนึงก่อนยิ้มให้ใจมันคลายนะลืมโล่งไปก่อนทําให้ใจมันผ่อนคลายลใจมันผ่อนคลายแล้วก็ทกํากรรมฐานเช่นเราหัดพุดโทโธเราก็พุโทโธไปด้วยจิตใจที่ผ่อนคลาย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 ถ้าเรามีสติรู้ทันว่าจิตฟุง้งซ่านจิตสงบเลยง่ายขนาดนั้นเยหยง่มากแค่นี้ก็สงบได้แล้วเห็นอใช้เวลาไม่มากลึกไปหน่อยเนื้อเทศไม่ได้ <c oughs> หายใจแล้วรู้สึกตัวสิยิ้มหวานๆก่อนยิ้มหานหายใจไปแล้วรู้ทันใจของตัวเองใจฟุง้งซ่านใจหนีไปก็รู้ส่วนใหญ่หนีไปชิด ถ้าไม่หนีไปคิดก็หนีไปอยู่ที่ลมหายใจนี่คอยอรู้ทานใจที่มันนไหลไปไหลมารู้ทันใจที่ไหลไปไหลมานะจิตจะตื่นขึ้นมาเองแต่หันใหม่ๆนะมันจะเป็นสามสเต็ปอย่าคนทั่วไปมีสเต็ปเดียวจิตเนี่ยมีแต่หลงหลงหลงห ล, ลงอย่างเดียวนะแต่ว่าเราหันใหม่ๆเนี่ยพอหลงไปแล้วเรามีสติรู้ว่าหลงนะลเนี่ยก็ตัวนี้เป็นรู้หังจากนั้นจะรีบกลัวจะหลงอีกจะเริ่มบังคับตัวเองกลาเป็นเทง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 เคลื่อนแล้วรู้ได้สมาธิขณะเคลื่อนอีกรู้อีกได้อีกขณะสุดท้ายนี่มันชํานิชํานานญะมันจะมีความรู้สึกเหมือนเรารู้สึกตัวอยู่ทั้งวันนะนจะมีความรู้สึกเหมือนเรารู้สึกตัวอยู่ได้ทั้งวันใจจะผ่อนคลายนะจะไม่มีน้ําหนักในใจถ้ามีน้ําหนักในใจเหมือนในเสื่ออะไรผมเขียวๆนะั่นเอนะเนี่ยอันนี้จงใจทําขึ้นมานะไม่ใช่สมาธิที่ถูกนะใจมันจะมีน้ําหนัก ถ้าใจมีสมาธิที่ถูกนะจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานจิตจะมีลาหุตาคือความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนเรียกว่ามูทุตามีความคล่องแคล่วว่องไวนะไม่เนิบเนิบเฉยเฉยนะเรียกว่าป่าคุนตาไม่ขี้เกียจนะเหมาะกับการที่จะทํากรรมฐานนะเรียกรรมยตตาควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์เรียกอุชุกตาในขณะนั้นไม่ได้รู้พระโลภนะรู้แล้วเพไม่ได้รักไม่ได้เกลีย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 เราะฉั้นเราทำใจสบายก่อนอย่าคิดว่าจะปฏิบัติธรรมนะไม่ต้องคิดเรื่องปฏิบัติธรรมเลยนะรู้สึกตัวสบายๆทำใจให้ผ่อนคลายก่อนยิ้มหวานๆให้มันมีความสุขนะแล้วก็ใช้ใจที่มีความสุขเนี่ยไปทำกรรมฐานเห็นระ่างกายหายจออกร่างกายห้ยใจเข้าด้วย ใ, ใจที่มีความสุขพุทโธไปด้วยใจที่มีความสุขดูท้องพองยุบด้วยใจที่มีความสุขเดินจงกรมด้วยจิตใจมีความสุข แล้วก็รู้ทันใจเดินเดินจมกรมจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งเท้าก็รู้ให้ฝึกอย่างนี้มากๆนะแล้วสมาธิที่ถูกจะเกิดขึ้นสมาธิที่ถูกเกิดขึ้นเราก็จะเจริญปัญญาได้มาดูร่างกายเราก็จะเห็นนะร่างกายนี้เป็นแต่ตัวทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทุกข์ทุกข์อิริยาบทยืนเดินนั่งนอนทุกข์ทั้งนั้นหายใจออกหายใจเข้าทุกข์ทั้งนั้นเลยนี่จะเห็นทุกข์ผียิบไปเลยแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ตัวเรา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 ดูจิตเนี่ยดูนิจจังง่ายก็ดูอนัตตาดูจิตน่ยดูนิจจังกับอนตาน่างง่ายทุกขังดูได้ไม่ได้ถ้าทรงฌานถ้าทรงฌานถ้าไม่ทรงฌานยากที่จะเห็นทุกขังของจิตทรงฌานแล้วถ้าไม่เดินมิปัสสนาในิฌานต่อนะ่ะก็จะไม่เห็นเพราะฉะนั้นอย่างบรรลุเวลาบรรลุพระอรหันต์เนี่ยคนที่ทรงฌานนะจะบรรลุในการเห็นทุกทุกนะดือการเห็นทุก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 ไม่เรียนตอนหนึ่งเหรอฮะเรียนมาตั้งแต่ตอนหนึ่งนะกว่าจะได้ปริญญาสักใบนึงนะอ่ะเออเรียนตั้งกี่ปีอ่ะยี่สิบเนาะนี้ท่านประธานว่ายี่สิบถ้าตกก็องเยอะกว่า น, นั้นอีกนะเท่าไหร่ปะสิบสองก็สิบหกปีนะได้ปริญญาไม่ตกเลยนะทำกรรมฐานเนะียมาทาอะไรวันสองวันนะ เรียนไปได้ปริญญาเอาไปหางานทํามันได้เงินนิดเดียวทำงานไปนะได้ประโยชน์ไม่เท่าไหร่พอแก่แก็เสียงไปก็ไม่มีงานจะทําภาวนานะภาวนาไปด้่ยเป็นการลงทุนที่สําคัญมันะเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ตัวเอ ง, เ ย, เองยังเข้าใจตัวเองนะอยู่จนแก่นะมันก็ยังได้รับประโยชน์ได้รับความสุขนะเกิดชาตินี้ไม่จบนะชาติหน้าภาวนา ง, ง่าย ได้รับความสุขได้รับประโยชน์มากประจบลิญญาอีกนะเพราะอย่างพุทธเจ้าท่านบอกเลยโซดาปฏิมักเนี่ยถ้าเราได้โสดาปฏิมักนะประเสริญยิ่งกว่าได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิอีกพะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิยังเปลี่ยนตายเปลี่ยนเกิดไม่รู้จักจบแต่ได้โซดาบัลเนี่ยไม่เกินเจดชาติจะจบจะได้ของดีของวิเศษคือได้อะไรได้นิพพานนะเขาเป็นสัมผัสกับนิพพานเรายะพ้นจากทุกสิ้นเชิงนะถ้าเราพ้นไปแล้วยังมีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าเป็นพระอราหันต์อยู่นะ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 นี่เป็นความสุขที Grandma, we so ่มหาศาลนะความสุขอันนี้เราจะสัมผัสได้เป็นลําดับลําดับไปเราจะเข้าใกล้นิพพานเข้าไปเรื่อยๆการที่เราภาวนาคนไม่เคยทําทานทําทานได้ก็ใกล้นิพพานเข้าไปคนไม่เคยรักษาศีลรักษาได้ก็ใกล้นิพพานเข้าไปคนไม่เคยฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวมาอยู่ได้ก็ใกล้เข้าไปอีกคนที่แยกธาตุแยกขันไม่เป็นแยกได้แล้วเห็นธาตุขันแสดงใจเราได้นี่ใกล้มากเลยแล้วใกล้แล้วก็ต่อไปก็ทําบ่อยๆ ถ้าบุญวาสนาบารมีเต็มอนะริยมรักจะเกิดเวลาที่อริยมรักษจะเกิดไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดะไม่ใช่ว่าจเจริญสติสมาธิปัญญาดีแล้วเกิด น, นะยังไม่พอหรอกต้องสะสมมันจะมีมคล้ายๆเป็นพลังของจิตนะจิตจะค่อยมีพลังมากขึ้นมากขึ้นนะอย่างพวกเราภาวนาเราจะรู้สึกไหมเราเข้มแข็งมากขึ้นเลยได้ใจมันเข้มแข็งมันห้าวหานมันเด่นเดียวมากขึ้นมากขึ้นนะ่ะเมื่อมันเป็นบารมีของเรานะมันกล้าจะทิ้ง โลกทิ้งสงสารทั้งหลายนะเพื่อธรรมะกล้าทิ้งร่างกายทิ้งจิตใจนะี้เพื่อธรรมะได้ตรงนั้นอาจจะถึงที่สุดแห่งทุกได้เลยนะั้นบัณฑิเต็มที่แต่ขั้นโสดาบไม่ต้องถึงขนาดนั้นรอบแต่สะสมของเราไปได้วยพลังของจิตมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะแล้วก็สติสมาธิปัญญาเป็ น, นแก่รอบแล้วพลังมันมากพอเ น, น, นี่ยอริยมรรคมันจะเกิดอย่างถ้าเราพาวาถูกเป๊ะเลยนะแต่ทำทำแล้วหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดพลังไม่เกิดไม่มีพลังมวลรวมนี่ไม่มีนะ งั้ไม่เกิดหรอกอริยมรรตงั้นเวลาที่เราภาวนานนะีอย่าหยุดอย่าเฉยทําทุกวันแต่อย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนอย่าไปบีบเข้นตัวเองอย่าไปบังคับตัวเองให้เครงเครียดภาวนานไปสบายๆถือศีลห้านะแล้วก็ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งไปรู้ทันจิตที่หนีไปจิตนี้ไปแล้วรู้ไม่ใช่ฝึกให้จิตสงบแต่ฝึกให้รู้ทันว่าจิตไม่สงบนะให้รู้ทันจิตมันหนีไปมันไม่สงบ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 แล้วก็เห็นว่ามันเป็นเองสั่งไม่ได้จิต จ, จะสงบหรือจิต จ, จะฟุ้งซ่านสั่งไม่ได้จิต จ, จะสุขหรือจิต จ, จะทุกข์นะสั่งไม่ได้นะจิต จ, จะโกรธหรือไม่โกรธจิต จ, จะรอบหรือไม่โรอบจิตจะหลงหรือไม่หลงจิต จ, จะสงบจะฟุ้งซ่านจะหดหูสั่งไม่ได้สักอย่างนะอย่ยางนี้เรียกเห็นอ น, นัตตานะหัดดูไปเรื่อยๆนะเรไปจิต จ, จะฉลาดฉนะลาดสะสมปัญญาไปเรื่อยๆศีลสมาธิปัญญาแก่กล้านเกิดเป็นพลังรวมขึ้นมานะ มันรวมเป็นพลังงานยิ่งใหญ่ขึ้นมาเรียกข้ามโคดเรียกธรรมะโคดนะตอนนี้เรามีโคดอยู่โคดโคดปุถุชนจะข้ามโคดก็เรียกยานข้ามโคดมีโคตรปูยานข้ามโคดข้ามไปสู่โคดของพระดิยะเราจะมีตระกูลใหม่นะเราจะรู้เลยว่าพ่อแม่ของเราตัวจริงคือใครพี่น้องของเราจริงๆคือใครถ้าสูงสุดพ่อแม่ของเราก็คือพระพุทธเจ้านะ รองลงมาคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราในวัฏฏานี้ก็คือคนที่สอนเราให้ได้โสดาบันคนที่เป็นพี่เป็นน้องเราเป็นพี่เราเนี่ยคือท่านที่สอนเราจนกระทั่งบรรลุพระอรหันต์ท่านเหล่านี้คือพี่นะเห็นไหมเป็นโสดาสอนให้เราได้โสดาไม่เป็นพ่อนะเป็นพ่อเป็นแม่นะแต่สอนให้ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยได้เป็นพี่ต่างปวกกันนะเรานึกว่าสอนเป็นพระอรหันต์สำคัญกว่าไระเจ้าไม่ได้ยกอย่างนั้น พระเจ้าท่านยกขโมคขลาสารีบุตรนะเป็นอัคราสาวกภาษารีบุตรเนี่ยไม่ได้มีฤทธิ์เท่าะโมคขลาแต่ภาษารีบุตรฉลาดมากภาษารีบุตรสามารถสอนคนให้เป็นโสดาบันได้เยอะที่สุดนะสอนคนได้เป็นพระโสดาบันได้มากเลยในขณะที่พระโมคขลานะสอนพระโสดาบันให้เป็นพระราหันได้มากก็มีฤทธิ์เยอะดักหน้าดักหลังตกซ้ายต ก, กว่าลนะจิตใจซิกแซกไงรู้ทันหมดเลยหนีเป็นไห้ไม่รอดเลยเนะี่ยพวท่เจ้า ก, กับโยกย่อง ภ า, า, าษาทีบุญนะว่าเหมือนพ่อเหมือนแม่นะเหมือนพระโมคคลาเหมือนพี่น่ะเหมือนพี่ชายเนี่ยถ้าเราลดภาวนาไปนะต่อไปเราก็มีน้องด้วยพวกมาที่หลังเราเป็นน้องนะมันเป็นครอบครัวอบอุ่นนะอบอุ่นยิ่งกว่าครอบครัวเอไอเอนี่วันเนี้หลวงพ่อจะบอกตันงประทานเลยที่ได้ดูเหือนครอบครัวอบอุ่นนะอยู่กันอบอุ่นน่าดูเลยแต่ถ้าได้ธรรมะแล้วน่าจะมีครอบครัวอบอุ่นยิ่งกว่านี่อีก ครอบครัวเอเราอยู่กันชั่วคราวไม่นานเราก็แยกย้าย ก, กันไปไปไหนไปตามยถากรร ม, มถือเวลาเราก็แยกย้ายไปอยู่ชั่วคราวแต่ครอบครัวของพุทธเจ้านะทั้งเราเข้าถึงแล้วเราไม่ไปไหนแล้วเราเจอบ้านที่แท้จริงของเราแล้วค่อยฝึกหนาะของดีของวิเศษมีอยู่ในพระพุทธศาสนานีที่อื่นไม่มีอย่าให้เสียชาติเกิดเปล่าๆค่อยๆฝึกของเราไปทุกวันนี้ ศา ส, สนาจะอยู่รอดนานแค่ไหนหลวงพ่ไม่มีความมั่นใจสักนิดเลยสิ่งแปลกปลอมเจือปนนั้นมากมายเหลือเกินกระทั้งคนที่ว่าดลักศาสนาอยากปฏิรูปศาสนาบางทีก็เพียเพ้ยนๆออกไปนะผิดกันโคนละนิดคนละหน่อยรวมๆแล้วเลยผิดเกือบหมดแล้วผิดกันคนละข้อสองข้อนะรวมๆแล้วผิดเกือบหมดแล้วงั้นเราตภาหนาของเรานะภาว น, า, นาไปอันนี้เท่านี้ก็พอสมควร ก, การนรัสกาหลวงพ่อค่ะก็คือว่าออรู้สึกว่าการภาวนาตอนเนี้ยมันมันวนเป็นลูปมันเหมือนเดิมมันก็จะเกรงอย่างที่หลวงพ่อทักเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวสักขะก็จะคลายแล้วเดี๋ยวก็จะปฏิบัติเข้มข้นเข้มข้นแล้วเดี๋ยวสักขะก็จะหย่อนยานแล้วก็จะแย่แล้วก็จะดีแล้วก็จะแย่อย่างเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองการภาวนานะดีแล้วแย่เนี่ยดีแต่การภาวนาเนี่ยเข้มข้นแล้วผ่อนคลายหย่อนยานเนี่ไม่ดีทําให้สม่ําเสมอไม่ต้องเข้มมาก ทำสม่ำเสมอนะแต่ต้องสม่ำเสมอถ้าเราเชื่มเราเจริญแล้วต่อมาเราหย่อนเราเสื่อมเนี่ยเราจะไม่เห็นไตรลักจริงเราจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราทําต่อเนื่องเราก็ทําได้เนี่ยที่มันแย่ลงเพราะเราไม่ทำต้องต้องทําสม่ำเสมอนะน่จะเห็นว่ามันเจริญขึ้นอยู่ๆเนี่ยมันเสื่อมต่อหน้าต่อตาทั้งทั้งที่ทำนั่นแหละมันจะรู้สึกกูไม่เก่งเลยกูทําไม่ได้ะเนี่ยค่อยๆฝึกนะต้องสม่ำเสมอนะทําเป็นบุบๆไม่ได้นะ คือทีก็รู้สึกว่าพยายามทําอยู่แต่ว่าควาตจริที่พยายามทําเนี่ยมั น, นมทุกข์แล้วหละ่ะเอ อ, อโลบเราไปใช้คําเพราะ<ม>ว่าพยายามจริงๆโลบนะ<ม>เราเปลี่ยนคำซะอุ้ยโลบอีกแล้วนะโนภาวนาเนี่ยเดี๋ยวไปคิดมากมันไม่ยากอะไรหรอกใจเราสุขเราก็รู้ใจเราทุกข์เราก็รู้ใจเฉยๆก็รู้ใจมันโลบ ก, ก็รู้ใจมันไม่โลบ ก, ก็รู้นะโกรธก็รู้ไม่โกรธก็รู้รู้เท่านี้แหละไม่ต้องรู้อะไรมากหรอก สุขทุกข์รู้จักไหมสร้าสุขขึ้นมาก็เริ่มสุขแล้วก็จะเห็นนั้นสุขชั่วคราวใช่ไหยมันทุกข์แล้วเออรู้ไปไม่ต้องไปแก้นะอก็จะเห็นนะมันทุกข์ชั่วคราวถ้าไปแก้เดี๋ยวกูเก่งอีกหรอกจอสงบขึ้นมานะก็กูเก่งฟุ้งซ่าง น, นะกูรีพุโทโธพุโทโธว่าสงบนี้ยกูเก่งมากกว่าเก่าอีกแทนที่ปภาวนาแล้วไม่มีกูนะมันไม่ยากหรอกง่าย ง่ายจนยากลันยากพรเราคิดว่ามันจะต้องทํำมันนวลอ่นนี้ที่จริงคือรู้อย่างที่เป็นจะไปยากอะไรนักธรรมารกับหลว ง, งพอ่อว่าก็คือตอนนั้นผมไปทําสังฆทานนะครับอือแริงจริงๆคือต้ใจ ร, รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากทําเฉยๆอีกเสร็จแล้วคันนี้ไปเจอพระเสร็จแล้วใจผมก็ไปปลามถนา ท, ท่านเพราะว่าท่านชวนคุยเรื่องโลกๆะอืบอย่างนี้นี่ผมอยู่บ้านดีกว่าคปะ ไม่รู้เหมือนกันคือคือมันเป็นอกักขุชนนะผมเลยคิดว่าอยู่บ้านเนี่ยไม่มีอกุศลเลยเหรออยู่บ้านเราภาวนาไปเรื่อยๆคือเราไม่ได้ไปทําให้ใคร เ, เป็นอกุศลนะท่านิตตัวเองอรเราอยู่ตรงไหนก็ภาวนานะครับแล้วเราจะอยู่แต่ในบ้านเราอย่างเดียวไม่ได้ออกนอกบ้านด้วยคือผมรู้สึกไปปรารถนาจะเบาวกว่าปรารถนาคนธรรมดาปลาหลังนั้นะปลาสมมุตินะ จริงๆใช่ป้าสมมติประมาณนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าประมาณแล้วเนี่ยให้รู้ทันว่าใจเราประมาครับตรงที่เราไปปรามาดคนอื่นนะอย่าว่าแต่ปรามาดพระเลยปรามาดหมาปลามาดแมวนะมันก็กิเลสเท่านั้นแหละมันก็บาปเท่านั้นแหละแต่พอปลามาดไปแล้วตรงนั้นบาปแต่ตรงที่เรารู้ทันว่าใจไปปรามาดเขาตรงนี้เป็นบุญนะงั้นบุญกับบาปเนี่ยหลวงพ่อตอบไม่ถูกเลยอันไหนใหญ่กว่ากันอย่างเราไปทําสังฆทาน เห็นพระลอยถ้วยนะใจเราประมาตหรือใจเราโกรธใจเราเกลียดเรารู้ทันว่าโกรธรู้ทันว่าเกลียดตรงนี้ได้คะแนนเยอะนะตรงที่ปรามา่ะเราเจตนาปรามาตรไหมหรือจิตปรามาตเองมจิตมันป ร, าารเองเออนั่นะ <laughs> เป็นบาปเล็กน้อยมากเขาเรียกกระตัดตา ก, กรรมนะเป็นกรรมเล็กน้อยเพราะไม่มีเจตนาแต่ถ้าเราเจตนาปรามาตนี่ก็บาปแรงขึ้นนะนะถ้าขวนญวายที่จะปรามาตรก็ยิ่งแรงกว่าเก่าอีกเอนะ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 ไม่มีตัวเจตนาเนี่ยมันจะเป็นกรรมที่อ่อนมากเลยเรียกกระตัดกรรมเล็กน้อยถ้าไม่มีกรรมอื่นให้ผลแล้วตัวนี้จึงจะให้ผลนะนั่นเป็นกรรมอันสับสุดท้ายที่จะให้ผลเลยเพราะพราะารู้กรรมเนี่ยนี่ให้ผลแรงให้ผลก่อนเคยมีสมัยโบราณ น, นะมีในพรานคนหนึ่งเ้าเดินในป่าเ้าเห็นพระเดินมาพระน่ยเห็นในพ่านถือหอกเจ้านี้กลัว ว่าเดี๋ยวไอ้พรานนี้ไม่รู้อันตร่ันธ์หรือว่ า, วอาหอกเสียบหอกคราวนี้ท่านก็เลยหลบเข้าไปอยู่หลังกุ่มไม้ในพลานเดินมานะเนี่เมื่อกี้เห็นพระท่าห ล, ลบพระหายไปไหนสงสัยพระกลัวว่าเราถือหอกเลยเอาหอกพุ่งเข้าไปในต้นไม้นะ่ะอ้ยไปเสียบพระไม่เจตนาเป็นกรรมเล็กน้อยกรรมเล็กน้อยแต่ว่าพรนเนี่ยเคยทํากรรมเหมือนกันนะเคยเย็บผ้า เยบผ้านะแล้วก็ไปถูกตัวเรนในผ้าตายถ้าไม่ได้เจตนาไม่เป็นกรรมเล็กน้อยนะในถูกในพรานเสียบหรือไม่เจตนาก็าไม่มีตัวอื่นให้ผลแล้วตัวนี้ถึงจะให้พราะถูกได้เลยนะครับจะให้รบกวนตรวจกันบ้านกี่หน่อยตรวจมาตั้งแต่เริ่มแล้วยังไม่รู้เ <c oughs> ลยสังเกตไหมว่าขันมันแยกได้ดูออกปล่า <c oughs> ก็เห็นเป็นบางทีครับบางทีก็รู้สึก จิตมันทำไมมันเหนื่อยเหนื่อยมันคิดไม่หยุดสัทีไม่หยุดหรอกจิตมีหน้าที่คิดครับวิธีที่จะทําให้เป็นพักนะก็คือทําสมถะนะให้แทนที่จะให้คิดเรื่อยเปื่อยก็ให้มันมาคิดพุทโธพุทโธไปขอบคุณครับใช้ได้นะในภาพรวมของการภาวนาะขันแยกเราใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนวัสการ์ค่ะหลวงพ่อตื่นเต้นไหมตเ้นเออตื่นเต้นแล้วทํายังไง <ด>จะไปรอบมันรู้อย่างนั้นรู้อย่างที่มันเป็นหลวงพ่อครับเมื่อเจ็บเรืองกับนะคะหลวงพ่อมาส่งังบ้านหลวงพ่อบอกว่าจิตมันก็ถูกแ ล, แล้วก็ให้ดูดูจิตมีอะไรก็ดูถ้าดูจิตแล้วว่างให้มาดูกายนี้นหนูไปทํำเ้วก็เหมือนกับก็เห็นบางอย่างก็เห็นชัดขึ้ น, นะะออแต่เจะถามหลวงพ่อว่าหนูเป็นปเพรา่าจิตมัน ลูกคนที่อยู่เฉยๆมันเดินปัญญาได้แล้วค่ะต้องช่วยอะไรต้องช่วยทางจิตมันยังถ้ามันไม่ไปติดเพ่งไว้นะมันก็ฟุ้งมันยังเบี่ยงสองส่วนนี้เยอะอยู่งั้นมันเพ่งก็ให้รู้ทันมันฟุ้งก็ให้รู้ทันนะแล้วเสร็จแล้วแต่มันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาสบายๆหลจากนั้นเดินปัญญาต่อเลยเวลาจตคิดมันก็คิดได้เองฟุ้งซ่านได้เองดูออกไหมเห็นนั่นแหละอย่างนัเรียกว่าเดินปัญญานะ มันฟุ์งั่นได้เองแต่แต่วันมันไม่ได้เห็นที่ผมว่าต้องเห็นไตรลักมันต้องเห็นตามจริก็เหมือนนี้ยคิดคิดอะไรหาือย่ายงคิดเําอยู่แต่อย่ากังวลนะอย่ากังวรทำไปอย่าที่บอกเลยใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปร่วมเอาไว้ก็รู้รู้ทันอย่ที่มันเป็นสุดท้ายเราก็เห็นนใจนี่เปลี่ยนแปลงตลอดนะแล้วก็เป็นผมมันเองไม่ได้เจตนาจะมาบังคับไว้เลยมันก็บังคับผมมันเอง ไม่ได้เจตนาจะหลงมันก็หลงของมันเองดูอย่างนี้บ่อยๆแต่ลูกนี่หนึ่งนี้เป็นที่หลวงพ่อบอกลวกเหมือนมึงไม่เป็นรู้สึกไ้มจิตทื่อๆขึ้นมันีขนาดเนี้ยหลวงพ่อทำหน้าให้ดู <c oughs> นี่เวาลาก็ต้องอะไรนี่มันจะทือๆ อ, อยู่ มันหลวงพ่อเคบอกว่ า, วามันเหมือนกับมือนเพ่งมันชิดใช่ใช่ ม, ชมันเพ่งกันชิดใช่เออทาใจสบายสิลืมเรื่องปฏิบัติไปร้องเพลงเป็นไหมเคยร้องเพลงไหมเอาร้องสักเพลงสิ <laughs> จิตตรงนี้ดีรู้สึกไหมมันไม่เหมือนตะกี้ตรงนี้แหละไม่ได้เพง่งแต่มันแบบดีด้ดีด้ากดีดให้มันดีด้ะไม่ต้องดีก็ได้บอกแล้ว ตัวอีนี่ดีดาไปเหออ็นไหมมันดีดาได้เองนั่นแหละดีส่วนจิตเรียบร้อยเนี่ยมันแกล้งเรียบร้อยนะตัวจริงมันดีดาเดีดีดานะ่ะตัวจริงแต่๋ยวทำเป็นเรียบร้อยงั้นปล่อยให้ตัวจริงมันทํางานนะเพียงแต่ว่าไม่ให้ผิดศีห้าเท่านั้นนอะเออดีดาเี่มันไม่ใช่แัลว่าหลอกะหะมันเป็นเรากดไปนานนิสัยเราอ่ะจริงๆเป็นอย่างนั้นแหละ ลอยมันเออต้องอย่างนี้นะแต่อย่างนี้แหละรู้สึกไหมมันโล่งเลยมันจะแม่นอยู่นันมันโล่งค่ะแต่มันก็ไม่เห็นจริงมันก็รู้สึกว่ามันกดไว้นิดนึงแล้วมันจะเห็นแบบเกิดดับหรือเปลี่ยนแปลงได้ใช่นิดนึงแต่ไม่ได้ไม่ได้เห็นจริงนะใจเนี่ยมันไม่มีคุณภาพใจที่กดอยู่เนี่ยไม่มีคุณภาพเวลาที่เรากดอยู่เนี่ยเราเห็นทุกอย่างเกิดดับยกเว้นจิตจิตจะเที่ยง เนะคงที่อยู่นะ่นเนี่ยถ้าแตะนิดหนึ่งก็นิดหนึ่งถ้ามากหน่อยชอ้ยหลวพ่อทาเป็นนะไอ้ที่ผิดผิดแนละ้วทํามาแล้วเท่านั้นปล่อยมันปล่อยมันแล้วรู้อย่างที่มันเป็นเลยเห็นมันดีดาได้เองคืออย่างนี้อ่ต่อไปขอยือนยันว่าที่หลวงพ่อแค่กคนที่เขาเข้าฌานได้เขาจะดูให้อานอยา น, นี้คับไม่ใช่ดูได้นาน ถ้าเข้าฌานแล้วเวลาออกจากฌานเนี่ยตัวรู้มันตั้งมั่นอยู่นั้ น, นส่วนจะดูเจริญปัญญาหรือเปล่าไม่แน่นะ้พวกที่รู้ตัวทื่อๆ อ, อยู่นี้มีนะเยอะด้วยเขาหนูอย่าไปห่วงเรื่องฌานนะนทําไม่ได้ฌานนี้ไม่เข้านะ <laughs> <laughs> ไม่เข้าหรอกเราทำที่เราทำได้ไม่ใช่ทุกคนต้องเข้าฌานนะ ลองนึกว่าเราเราปฏิบัติมาเราแบบว่าเออเรให้พ่อแม่อะยรนะโอ้ท่านที่มีชีิตอยู่เองคงยังอยู่ไหมอยู่เออยังอยู่ต้องไปบอกเองต้องยังเขาจะไม่ได้รับเขาไม่ได้รับส่วนบุญนะไม่ใช่สัตว์ทุกตัวรับส่วนบุญได้นะคนเนี่รับไม่ได้เขาต้องอนุโมทนาเอาพวกเทพไม่รับสั่โมทนาเอาไม่ใช่เปรตนี่หมาแมวไม่รับไม่รู้เรื่อง หรือเขาตายไปแล้ ว, ลวเราก็วดน้ําอยู่ตัวนี้เขาไปเกิดเป็นค น, น เ, เนี่ยเขาไม่รู้เลยเขาไม่ได้แช่มชื้นด้วยมึงต้องไปบอกนะน้รัส ก, การของพ่อค่ะส่งกลับบ้านในรอบปีหนึ่งค่ะก็ตอนนี้ที่ปฏิบัติค่ะก็จะรู้สึกตัวรู้ท<ด>ันจิตอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะเลยเลยค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ที่หนูเห็นหนูก็จะรู้สึกว่าปัจจุบันสั้นท<ด>ิ้งแล้วก็อดีต มีก็เหมือนไม่ค่อยมีอนาคตหนูก็ไม่มีหนูก็ไม่รู้หนูเป็นตัวอะไรแล้วก็ใช่คือเหมือนก็เห็นแต่ไม่มีตัวหรอกปัจจุบันคือเห็นตัวก็เหมือนก็ไม่ใช่ตัวเองคืออย่างอย่างเงี้ยก็คือจะเห็นแบบว่ามีตัวอะไรนั่งพูอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ตัวอะไรค่ะแต่ตัวเนี้ยยังรวบจิตอยู่รู้สึกค่ะก็คือมันจะแอบเกรงนิดนึงเพราะว่าคุยกับหลวงพ่อที่แหลหลวงพ่อบอกแล้ว หนูข้ามมองใครก็เปก่งหมดเลยค่ะวปกติก็จะไหลๆอะไรไปบ้างแนตะอันนี้ก็คือแอปตื่นเต้นอะไรแอย่างนี้หนึ่งค่ะแล้วก็ไม่คาอเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องชาอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงหนูทามิัสนาหรือเปล่าค่ะทำทำไปทําอีกไปทำถูกแล้วละ่ะก็คือให้ดูเปลี่ยนแปลงขององค์ชาไปเรื่อยใช่ไหมคะเข้าชาหรือหนูเข้าซิตื่นเต้นเติมเข้าชาดูมีว่าสีไหม ยังไม่เป็นวัตีเท่าไหรค่ครับเพราะว่าติดในอารมุปกับแต่ว่าเ<ม>พิ่งจะหลุดจากอารมปมาได้อารูุปอย่าไปเอาเสียเวลาเกิดพลาดพลั้งนะไม่จบนะโดยพระเมตไตรมาตรสรู้เราก็ไม่ได้ฟังทำค่ะเพิ่งจะหลุดออกจากอารูปุปเพิ่งจะกลับาเป็นรูปได้เฉยๆดีแล้วแล้วก็ดูเพื<ม>่ออยู่ข้างนอกอเงี้ยดูธาตุขันมันทํางานไปเรื่อยๆนะหนุนทางานไปขอบคุณหนุนอ๋อ ก็เป็นมนรดจนะครับก็คือมีแล้วก็เพง่งแล้วก็มีเพง่งสอนไปครับแต่ก็เออ่ได้เห็นว่าเมื่อก่อนใจร้อนมากครับก็จะเอาใจเอาได้ครับแล้วก็พอหลังๆก็เริ่มมีวินัยสม่ำเสมอขึ้นนะครับอย่างที่หลวงพ่อสอนก็คือในขณะที่ทําอยู่ก็ก็เสือกไม่เห็นเลยนะครับเมื่อวานยังเห็นทีๆอยู่เลยวันนี้ดูยังไงก็ไม่เห็นอืครับถ้าดูจิตไม่ได้กระดูกาย ก็เห็นร่างกายมันพูดเห็นร่างกายไปยักหน้าดูสบายๆใจใเพลงคนดูไปช่วงที่นั่งฟังหลวงพ่อเทศก็ก็ลวกจิตแล้วก็เข็นอารครับแต่จังหวะที่หลวงพ่อหันมาชี้ครับะระเบิดออกเลยครับ <c oughs> แล้เห็นว่าติดเพลงมาช่วงนี้ติดมาสองสมวันแล้วครับพาวนาถูกแล้วล่ะภาวนาได้ดีทำถูกแล้วถาเพิ่ง น, นี้ครับช่วงที่ไปไปไปเวะอยู่วัดห้าวันนะครับเอ่อตอนวันท้ายๆครับมัน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 แต่ฝึกอย่างนี้ใช้ได้อยู่แต่ว่าพอกลับมาแล้วไม่เคยไม่เคยตั้งมัน่นอย่างรันั้นอีกเลยโลอกสิ <c oughs> เวลาสภาวะเกิดนะเกิดแล้วก็แล้ววันไปถ้าเราอยากให้เกิดไม่เกิดหรอกมันจะไปเกิดตอนที่ไม่ได้จงใจหลวงพอมีคำแนะนำอะไรเพิเ่มเติมสมาธิมันเกิดตอนที่ไม่ได้จงใจนะมีัาสนาเกิดตอนที่ไม่ได้คิดรู้อย่างที่เป็น งั้นเราจงใจไม่เป็นแต่ว่ามันไม่มีความชำนาญของจิตเวลาที่เราจะเข้าสมาธินะเราไม่ได้จงใจเราแค่มนานัสิการแค่ะระลึกแค่ใส่ใจนิดหน่อยสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างใส่ใจนิดหน่อยจีก็รวมเลยแล้นอยู่ที่ไม่ได้จงใจถ้าจงใจมันจะไม่เป็น แต่ว่าตอนตอนที่เราภาวนาแล้วเราไปเจอของดีของพิเศษเนี่ยมันอดจงใจไม่ได้มันจะต้องจงใจไปอีกช่วงหนึ่งนะถ้ามันทำไม่ได้ก็ พ, พยายามทําไปเรื่อยแล้วถึงจุดที่มันหมดความจงแจงเนี่ยทําได้ไปทําต่อไปแล้วบงอันนึ่งต้องกูเก่งนะะต่อไปมันจะกล้ขนมพ่อพอภาวนา ม, มาถึงตรงนี้ต่อไปบางทีมันขึ้นมากูเก่งกว่าคนอื่นนะ นมัสการครับก็ข อ, ขอยะสง่งแรงบ้างเวลาที่หนองป่อบอกว่าตื่ไม่ถึงฐานก็เลยกลับไปคิดว่าน่าจะตอ้องฝึกสมาธิกลางึ้นแล้วเวลาฝึกสมาธิไปเหกับมันสมาธิเหครับไม่แน่ใจมั น, มนดิ่ง ๆ, ๆกันหรอกดูตัวเองก็ไม่หยุดแล้วกจยังรู้สึกตัวอยู่ไหมรู้สึกถ้ายัางมีความรู้สึกตัวอยู่ใช้ได้นะแต่ว่ารู้สึกได้ผ่อนลงนั่นแหนะละนั่นแหละผ่อนลงไปเกือบกับจะไม่รู้สึกเลย แต่ร่างกายไม่มีมีร่างกายไหมเออไม่มีนะถ้าร่างกายก็ไม่มีนะโลกนี้ก็หายไปความรู้สึกตัวก็เหลือนิดเดียวนะจิตมันรวมก็ไปลึกเลยที่ทำถูกแล้ใช่ไหมถูกแล้วละ่ะแต่ว่าพอออกมานะก็เห็นร่างกายมันทานํางานเห็นจิตใจทํางานไ้ด้วยนะงั้นอย่าสงบอยู่เฉยๆเสียเวลากำลังติดสมาธิสงบสบายๆายให้เดินปัญญาไปด้วย ตอนนี้จิตอ่านถึงถึงแต่ว่าไม่เต็มร้อยนะกระจายออกนอกนี้หน่อยตัวออกไหมมันรู้สึกว่ามันมีตัวพุงอยู่อะไรมันเหมือนเออมันออกข้างนอกไปนิดเดียวให้รู้เฉยเฉยไม่บังคับแล้วก็ขอทานเหมือนกับภาวนาไปแล้วถึงสึกหรือแบบมันเพิ่เป็นก็เลยมีโดนทึสัตว์แบบทําไรนี่ถูกเลยอร่อนะแบบเหมันทำอะไรไม่ถูก คือสัตว์แบบเกณฑ์หน้ากระดาษมันไม่มีแรงภาวนาะเอาไม่มีแรงรู้ว่าไม่มีแรงแล้วบอกว่าช่วงนั้นกิเลสเข้าแท้ด้วยก็ออย่ายอมสินะไม่มีแรงรู้ว่าไม่มีแรงกิเลสมาเราะว่ามีใจไม่ชอบใช่รับอยู่ตรงนี้นะเวลาที่สภาวะแย่ๆเกิดขึ้นแล้วใจไม่ชอบเนะี่ยถ้ารู้ได้ว่าใจไม่ชอบนะมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางอัตโนมัติเลยแล้วมันจะเกิดพลังขึ้นมาเลยจะมีแรงทันทีเลย เหมือนก็รู้แต่ว่ามันไม่มีแรงดูให้ดูลงไปว่าใจไม่ชอบถ้าเห็นตัวนี้ปุ๊บแรงเกิดเลยง่ายไม่ยากเรื่กัหลุงพ่อมีแต่คำว่าง่ายแต่ทำไม่ได้สักทีหลวงพอมีคำแนะนำให้ทำอีกนะครับกาว่าตีกระเป๋ามากเลยใช่ได้นืวัสการ์คะหลวงพ่อคือจะส่งครัวมาก ตื่นเต้นเออมากมาคือบอกว่าเอ่อฟังหลวงพ่อไปได้เดือนหนึ่งที่ผ่านมานะคะแล้วก็ไปปฏิบัติก็ดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างเรื่องความโกรธก็ดีขึ้นมองเห็นได้เร็วขึ้นแลก็หยุดได้เร็วครับเวลาตีไม่ดีนะอยู่ที่ว่ารู้หรือไม่รู้นะไม่ใช่ภาวนาแล้วไม่โกรธเลยแล้วว่าดีไม่ใช่ดีนะอย่างนี้ค่ะภาวนาดีก็คือโกรธแล้วรู้เร็วโลบเรารู้เร็วก็ ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคือรู้สึกว่าเ ค, เครียดเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรก็ห้ามไมหมดรู้สึกเหมือนตัวเองเครียดจิตเครียดก็เลยตามใจจิตเนงพ่อบอกว่าอ่ะก็ตามใจจิตบ้างชอบอะไรก็ไปทําอย่างนั้นอืมก็ดูหอย่า ง, หงให้ผิดศีลเท่านั้นแหละดูหนังแล้วก็หาอะไรอร่อยกินแต่คราวนี้ตามใจจิตมากไปหน่อยก็เล่นหลงอืมเพราะหันกับไมค์พีก็คือของกินเต็มตู้เย็นมากเริ่มมีพาระเรรู้สึกเครียดอีกแล้วอะ อย่างดีเครียดมีกินบนบางคนเครียดเพาไม่มีจะกินก็เลยรู้สึกตัวเองว่าอ๋อนี่การการที่เราหลงแบบว่าใช่ใจจิตมากเกินไปไปนี่มาหลงนานไปผ่ <c oughs> อนแล้วก็ผ่อนไปเดี๋ยวกระดาวนะะคไม่ใช่ผ่อนกันทิ้งเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะบางทีแบบจิตมันแบบว่าเหมือนมีกิเลสแล้วก็ลบขึ้<ห>นมาเงี้ยค่ะไม่ถ้าถูกกิเลสลากแล้วอย่างเราพ่อผ่อนเนี้เพิ่งทำงานมาเหนื่อยเหน่อยนะเครียดเครียดเนอะ ซื้อการ์ตูนเด็กอนะมาอ่านต้องการ์ตูนเด็กนะห้ามอ่านการ์ตูนผู้ใหญ่ไอ่าการ์ตูนเด็กนะหัวละนิดนิดหน่อยหน่อยใจก็คลายละคลายแล้วประกอบนาตศิลป์ไม่ใช่ซื้อการ์ตูนมาตีมตั้งแค่นี้เหมือนซื้อของมาใส่ตู้เย็นตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอาแล้วเริ่มเป็นภาราละมองเห็นแล้วจะทําไงจะเคลียร์มี้ให้ได้อะย่างเงยเป็นกันไปก็ขอบพคุณหลวงพ่อมากๆจะทาคือแบบไปทำไง ชีวิตดีขึ้นแล้วล่ะกล่าวมามาตรการมาตรการดีเคยเมื่อหลายปีก่อนก็บอกว่าเป็นคนที่จิตเพ่งเจะาพจิตเร่งลมหายใจเจ้าภาพแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเพ่งยังไงกับว่ารู้สึกในใจมันคลายออกมันสบายขึ้นเจ้าแต่แต่ว่าไม่ไม่มีอะไรเครียดเรียนแต่ว่ามันเพ่งมันเพ่งตลอดเวลาจนไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้จะทํารูปแบบยังไงว่ามีมีความรู้สึกว่าผม พอมันเพ่งปุ๊บ ốc, มันจะจับเข้าไปแล้วก็ไปเป็นนิมิตของภาพอย่างภาพเขาพูดจะรูปหรืออะไรอย่างนี้นไม่ใช่นะะแค่รียบะปล่อยให้มันเพ่งนะให้มาคิดพิจรารณาร่างกายนะแยกผมกับเล็บปันนังเลยกระดูกก็เป็นส่วนๆแยกไปเรื่อยๆนะแล้วใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้แล้วก็แยกมันไปเรื่อยๆนะมันจะได้ไม่ไปติดเพ่งนิ่ๆอยู่ข้างในแ ล, แล้วเวลาที่เรารู้สึกว่าเพง่งแล้วเราก็ เคลื่อนจิตมาดูที่ร่างกายที่เคลื่อนไหอย่างนี้ก็คือเราเราเปลี่ยนจิตเลยใช่ยไอ้ตรงนั้นผิดเราไม่เอาละเอาใหม่เอาใหม่ก็ทิ้งไปเลยทิงไปเลยอย่าเสียดายแต่ว่ามันก็คือติดเพ่งอย่างหุนแรงเลยแล้มาดูไกายนั่ผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกแต่ละส่วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเลยก็ว่าไปสอนสอนมันไปด้วยจิมจะเคลื่อนออกแล้วไอ้ที่สมัยก่อนที่เคย เผเป้งแล้วผลก็จิตมันเป็นดวงออกมาข้างนอกมีความสุขไปหลายหลายวันนี่อย่างนั้นถือว่าแยกกายแยากจิตไม่ใช่ไม่ใช่แยากกายแยากจิตไม่ต้องถอดออกไปงันนะ้นเห็นไหมตัวอะไรไปยักหน้าอยู่เนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวใจมันคนดูคนอ้านไม่ใช่ถอดจิตออกไปข้างนอกนะเจ้าแตอนนี้ตเดี๋ยวนี้พอขับมาดูมันก็บางทีมันก็รู้สึกเหมือนกันว่าเป็นเป็นอย่างอื่นยักหน้าแต่บางทีมันก็รู้ เออนั่นแหละรวมบ้างแยกบ้างใช้ได้แต่แต่ว่ามีความรูไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าครวนาไม่ใช่ใจไม่ชอบรู้เข้าไปซื่อๆอย่างนี้เลยนะมันไม่มีอะไรที่ต้องค้าครวนเลยใจมันค้าครวน่า อ, อย่างงน้นอย่างนี้รู้ทันปุ๊บต้งขาดหมดมันก็เกิดดับให้ดูง่ายๆมันไมง่ายอีกแล้วแต่กว่าจะง่ายก็ยากเหมือนกันนะ มันก็ยังไม่ค่อยเห็นเจ้าค่ะแต่มันต้องอารมณ์แรงกว่านี้ก็ก็ตอนนี้คือติดเพ่งก่อนพยายามจะแก้หดีกว่แาก็ดูกระดูกไปไล่ไแล้วมันเหมือนกับออร์เบิดโยนใส่ตัวเองแล้วก็จะคือมันทําอย่างนี้มาบ่อยเหมือนกันเจ้าค่ะได้ได้แล้วก็เผาไปให้หมดไปเลยเจ้าทำลายไปให้หมดเลยแล้วจะเหลือแต่จิตดวงเดียวจิตดวงเดียวแล้วก็ออกมาแล้วมันระเบิดมาอีกเผาอีก มาฉีกมันอีกเข้าออกเข้าออกอย่างนี้บ่อยๆครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ทํามาอย่างนั้นแหล ะ, ะอ้โหชอ้โหตอขอบพระคุณช่กครอ่ะต่อไปลาไนหลวงพ่อค่ะหนูอยากจะขอถามหลวงพ่งอว่าช่วยดูว่าที่หนูปฏิบัติมาทุกวันนี้เป็นยังไงหนูเห็นกิเลสบ่อยขึ้นไหมเ<ม>ยอะไหม ไม่ทราบว่าเยอะหรือเปล่าแต่เห็นตัวเองเห็นตัวเองแบบไหนเห็นตัวเองกระดุกกระดิกนี้ป่ะเห็นก็พยายามดูตัวเองให้มากที่สุดแล้วจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมจิตตามธรรมดาเหมือนตอนนี้ไหมปกติหนูก็เป็นอย่างนี้ปกติเป็นอย่างนี้เลยเหรอติดเพลงอืม หูไม่ได้เพ่งมันมันรู้สึกไหมมันนิ่งๆอยู่ข้างในตัวหนึ่งูเฉยเฉยนั่นแหละไอ้ตัวเฉยนั่นแหละห้ามเฉยห้ามเฉยนะให้มันกระดกกระดิ๊งกระดิ๊กระด้าอะไรยังดีกว่าเฉยเฉยไม่งั้นมันเฉยตลอดนี่แหละนักปฏิบัติต้องอย่างนี้เลยนะปลุกมันขึ้นมาอย่าให้มันเฉย ให้มันดีใจบ้างเสียใจบ้างให้มันชอบบ้างให้มันเกลียดบ้างอย่าให้เฉยครูบาอาจารย์สอนนะระวังอย่าให้จิตเป็นติดเฉยนะแต่เมยเฉยเออนั่นแหละที่ผิดแหละ <c oughs> บางทีภูมิใจนะบางคนเฉยได้ที่ภูมิใจนะมันจะติดตลอดชาติเลยตอนนี้ยชาติหน้าก็เฉยอีกไปแก้ซะให้มันเคลื่อนไหวหนูก็ไม่รู้ว่าหนูทำไม่ถูก หูก็ไม่รู้ว่าหนูจะแก้อะไรหนูอย่าทาเลิกปฏิบัติได้ไหมหนูไม่ได้ปฏิบัติอะไรวาหนูแค่สวดมนต์เออนั่นแหละปฏิบัติหูแค่สวดมนต์วันละมากมเออลดลองสวดน้อยน้อยแล้วออกมาทํางานบ้านเยวเยอะจะทํางานนะไปเคลื่อนไหวก็แต่หนูดูเฉยเยเยอะนั่นแหละจะแก้ซะบอกให้แล้วนะ มันไม่ดีมันจะไม่ดีตกว่านี้เหรอคะไม่ดีป่านี้เลยเหไม่ดีต่อไปมันจะรู้สึกกูเก่งแลือซ้ำใครใครเขาวุ่นวายกูเฉยเนี่ยกูเบกขาปล่อยวางคิดว่าหนูปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางพระละหันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะหไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นจะเชือเออไปยุ่งซะบ้างไป อ่ะต่อไปหมดได้อย่างนั่นแหละติดละเมื่อกี้เนี่ยดูด อ, อกอาทิละวนูสบายตอนนี้กะตะเกียร <c oughs> กลับไปผิดอีกแล้วมันมันกลับมา่วยอีกแล้วอย่าให้่วยให้มันดีบ้างรายบ้างห้ามเวยรับกลับมัสการหลวงพ่อค่ะหนูปฏิบัติมาสามปีเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อสองครั้งครั้งล่าสุดเมื่อกลบจะสองปีแล้วค่ะ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 มันไม่ได้มาดูกายดูใจได้หรอกแต่ถ้าทํางานที่ใช้ร่างกายเนี่ยรู้สึกได้ค่ะเวลาคือคือหนูหนูรู้สึกว่าหนูติดอะไรหรือเปล่าต้องทำไม่ติดหรอกเดี๋ยไปจังวลมากที่ทําอยู่ถูกไหอนะไม่อยากตอบหนูใช่ไหมมันดีขึ้นนะจะถามว่าถูกไหมมันไม่เต็มร้อยมันติดอะไรคะเตียงก็แต่ติดแพ้งอีกแหละมันก็มีอยู่นิดหน่อยไม่มากก็ถือว่าใช้ได้ มันไม่ได้คงที่ตลอดรู้สึกไหม <c oughs> ใจเรายัางเปลี่ยนแปลงได้ใช้ได้ <c oughs> ถ้าเฉยตลอดใช้ไม่ได้นะอเ <c oughs> มื่อกี้น้องคนนี้ส่งก็ก็มีความรู้สึกเวลาเดินจงกรมหรือว่าเวลาเวลาสวดมนต์บางครั้งส่วนมากจะเป็นเดินจงกรมค่ะบางครั้งรู้สึกเอ๊มันเฉยจริงๆริงมือนกับน้องคนงนี้ก <c oughs> ันแต่ทำไมไม่รู้ <c oughs> สึกว่ามีความสุขหรือหรือมีความคิดแต่แต่ก็รู้ว่ามันเฉยอ่านะคะรู้ว่าเฉยไปนะแล้วออกมาแล้วไม่เฉยใช้ได้ น้องคนนี้ก็มีปัญหาคือออกมาข้างนอกเขาก็เฉยอีกมันเฉยเยอะไปแ ล, แล้วต้องต้องต้องทายัางไงให้คือต้องที่ ม, <ห>มันเฉยเนี่ยเพราะว่าโลภตอนที่เฉยนะเพราะว่าโลภมันอยากดีมันอยากมีสติรูต้ตัวตลอดเวลามันได้จ้องมาไว้ใจก็เลยเฉยเฉยนะเพราะฉะนันรักดีหามจัว่วเฉยเฉยก็เหนื่อยเหมือนกันเลยกล้ากล้าหน่อยกล้ากล้าเลย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 เป็นธรรมชาติแยกก็แยกรวมก็รวมไม่ต้องรักษาว้ให้แยกตลอดนะขอบพระคุณคนุบหพ่อมาสักการ์หนุนพ่อคือไม่เคยรู้จักศาสนาพุทธมาก่อนไม่ไม่ค่อยเข้าวัดไม่รู้พระสงวัดพระธรรมคือไม่รู้จักอะไรเลยค่ะแล้วมีโอกาสไปนั่งสมาธิ โ, โดนที่บริษัทต่างๆไปแล้วนั่งสมามรู้สึกว่ามันสงบพอสงบแล้วกลับมารู้สึกว่า เออก็ดีนะสงบเอ้ยพอพูดเธเจ้าสอนอะไรอยากรู้จังก<อ>็ค่อยๆเริ่มศึกษาแล้วแปลนมาแนะนําหลวงพอ่อว่าลองฟังหลวงพ่อดีอืงหลวงพ่อไม่ได้สามเดือนในยูทูบอะค่ะแล้วมีอยู่วันนึงหนูนั่งสมาธิแล้วก็มันเจ็บขามากเลยค่ะแล้วหนูก็อุ้ยเจ็บมงมันเจ็บเออเจ็บก็ส่วนหนึ่งใช่เออนีนขาขาก็อีกอย่างหนึ่งอไอตัวที่รู้ไปรู้สึกความเจ็บก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็มี จิตที่อีกตัวหนึ่งยืนอยู่ดูทุกอย่างอืเนี่นะค่ะถูกแต่ถ้ามันแยกเองใช้ได้นะไม่ต้องจงใจแยกมันนะไม่ค่อยเห็นนะคะหลวง ก, ก็มันก็เห็นแค่ครั้งนั้นแต่หนู ก, ก็เฉยเฉยแ้ค่ะไม่เป็นไรเห็นครั้งเดียวก็ได้ประโยชน์เยอะนะมันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่บอกว่าชั่วช้างกระดิกหูงูแลบพินแปบเดียวเห็นแป บ, บเดียวก็มีอา น, นิสงส์งเยอะ รู้สึกไหมว่าไกลยกับใจโคแานกันรู้สึกค่ะนะรู้สึกไหมว่าความรู้สึกทั้งหลายสุกตุ้งดีชั่วกระใจของโคนลนใช่ค่ะนะ น, นขันเป็นแรกของเราค่ะนะกับนักมาศการหลวงพ่อค่ะตาทางแรกที่ตั้งใจมาปฏิบัตกิก็เพื่อจะมาเอาเออฉลาดคอปฏิบัติปฏิบัติไปก็เริ่มรู้ว่า ตายก็ไม่ใช่เราอวันหนึ่งเห็นจิตมันแหวกออกมาก็รู้ว่าจิตมันก็ไม่ใช่เราอแล้วก็รู้อีกว่าทุกอย่างมันไม่จรลังในโลกนี้อะไหล่อะไหล่ก็ไม่ให้เอาอืมแล้วก็ไม่เอากรทั่งความคิดว่าอะไรอะไรก็ไม่เอานะะอยากให้ความรู้สึกครอบงําใจยังเขียนไหมตอนนี้ถูกความรู้สึกครอบใจแล้วให้รู้ทันไม่ให้ครอบ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 แล้วก็ที่หลวงพ่อให้รักษาศีลหนูก็ได้รับผลกรรมของศีลก็คือเมื่อเรารักษาศีลศีลก็จะรักษาเราอันนี้หนูได้อันนี้ส่งมาแล้วจนมีวันหนึ่งเราก็คอยพิจารณาศีลว่าบกพร่องไหมด่างพร้อยไหมหรือมีอะไรบ้าแล้ววันหนึ่งปุ๊บอยู่ๆก็เห็นว่าวันที่ห้าเราจิตมันบอกว่าวันนี้ศีลดีแล้วก็ไม่ด่างพ้อยไม่อะไรอยู่ๆมันก็แวบขึ้นมาว่า เมื่อสินดีอะไรดีก็คือพระอันนี้หนูไม่รู้หนูบ้าไปเปล่าเอออย่าไปเชื่อมันค่ะแล้วก็รู้สึกได้เห็นถึงความสุขที่แบบอิ่มเอิบขึ้นมาอืก็ก็รู้สึกหนูได้ภาวนาถูกแล้วนะไม่ทำอีกเออแต่ว่าจิตใจนะ่ะมันหวั่นไหวง่ายไปอารมณ์คร่อนําใจง่ายไปอย่ายอมตัวนี้นะอารมณ์มาให้รู้ทันส่วนที่ภาวนาที่รู้ที่เห็นนะั้นมันถูกเราลนะ ตัวเราไม่มีหรอกอตัวตนไม่มีหรอกนี่เราก็สังเกตไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนเป็นพระโสดาเราไม่ได้พภาวนเพื่อจะเป็นอะไรทังสิ้นเราภาวนเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจไปเรื่อยมันไม่มีเจ้าของสักอันเดียวกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมหสุกทุกดีชั่วก็ไม่ใช่ของเราจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราคืออย่างนี้เลยมันเริ่มเบื่อ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 เจอลูกค้าหลอกเข้าไปดิบ่อนการทันนานอย่างเงี้ยค่ะออกมานี่กลัวมากกลัวจนนอนไม่หลับหรือคักช่วงหลังนี้ก็คือแม้กระทั่งเห็นพวกผักหรือข้าเราโอเคหนูจะวับเลยหรือว่าเห็นบางคนรู้ว่าโอเคคนเนี้ยเขาชอบโกหกอย่าเงี้ยเรารู้ปุ๊บเราจะแบบเราจะเบิร์นต้องต้องรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางน ะ, ะให้รู้ตัวนี้ไปหลวพอเห็นกิเลสเห็นเฉยเฉยอะใครใครมัก็มีกิเลสเห็นข้าเราโอเคไม่รู้หรอกเพราะว่า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 ตนพอที่เป็นที่ตอนนี้หนูพอเป็นที่เพื่อนของกังน<ม>บ้โนได้เลยค่ะกลับไปขอบคุณค่ะให้ผ่านตัวนี้ให้ได้เลยนะกลับนรัสกับอาจารย์พยายามปั่นกันบ้านมาส่งแต่ไม่มีใครจะส่งครับออส่งไม <laughs> ่มีอะไรต้องต้องขายว่าฟานาดีขึ้นแล้วละ่ะดูรูปดูนามก็ทำงานนะ ของหนูนั่นแหละภาวนานใช้ได้นะแต่ว่ามันมาเจอวิปัสสนูมันถูกครอบไปก่อนออนะไม่งั้นจะติด น, น้ น, นึกว่าเป็นรอริยะนะแปาวิปัสสนูนี้นพอเป็นแล้วบางคนว่าเป็นพระอร ห, รหนันต์เลยใส่ใจไหมใจยังถูกอารมณ์ครอบงำพระอริยะอะไรถูกอารมณ์ครอบงำดูไปฮะมันสกัดหลพ่อครับต้องฝึกที่หลวง่อสอนก็คือแยกกาแรแยกขันนะครับอันนี้ ก็ฝึกอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆครับแล้วก็เห็นการเี่นแปลงโ ด, โดยโดยไม่ต้องไปอธิบายอะไรเงี้ยครับก็คือแต่ว่ามันไม่รู้ของโลกด้วยครับคือมันไม่เห็นความก้าวหน้าหรการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเหมือนตอนช่วงแรกๆอะที่เราก็เห็นเนี่ยก้าวหน้ามากนะะตอนนี้กับแต่ก่อนเนไม่เหมือนกันนะแตกต่างกันเยอะเลยสมัยก่อนทำไมอาหารใหม่ๆดูมีความแตกต่างมากเมกื่อก่อนดำร้อยเปอร์เซ็นตะ์นขาวขึ้น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 ส่วนการปฏิบัติที่แท้จริงไม่ได้ปฏิบัติหรอกรู้อย่างที่เป็นคาถูกแล้วล่ะแต่ว่าต้องทาในรูปแบบนะไม่งั้นนานๆจะฟุง้งม้นก็พยายามทำในรูปแบบทุกวันนั่นแหละ<ห>ดีทำนะแล้วก็ทําไม่ใช่เพื่อเอาอะไระทําเป็นพุทธบูชามัศการเท่ากันสมการบ้านในรอบหนึ่งปีทุกวันนี้ก็ทําในรูปแบบทุกวันแล้วก็ ดูสี่ห้าอืมอ่าแล้วก็ระหว่างวันก็ดูดูเรดูเท่าที่ดูได้ะคะ่ะ <c oughs> ก็ดีเลยไม่แยกไกลยนี้ยก็เห็นเห็นการทำ ง, งานของมันได้เร็วขึ้นเออเราไม่ได้เอาอะไรนะแล้วก็มันดีขึ้นเลยคะ่ะแล้วก็มาช่วงหลังรู้สึกว่ามันเสื่มแล้วเอ๊ะมันทําเหมือนเดิมแต่มันนูนนั่นแหละดีอ๋อมันรักษาไว้ได้ไม่ได้มันไม่ใช่เรานั่นแหละสุดยอดเลยถ้าเสื่มเพราะว่าขี้เกียจเนี่ยน มันจะไม่เห็นมาใจหลักนะอย่างนี้มันเห็นใจหลักนะบองหนูใช้ได้แล้วนะไปทำอีกขอบคุณพวกเราส่งการบ้านนะครับกลให้กล่าวสาธุสามครั้งอพร้อมๆกันครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอนุโมในบุญอนุโมนในธรรม